อธิบายกรรมแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปพิกษุทั้งหลายก็กรรมที่แบ่งพวกโดยทมปฏิรูปอะไรบ้างคือพิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังพิกษุผู้เข้ากรรมกำหนดจำนวนไว้เท่าใดพิกษุเหล่านั้นไม่มาฉันทะ ของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะไม่ได้นำมาพวกที่อยู่พร้อมหน้าก็คัดค้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทำปฏิรูปภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าสวดกรรมวาจากอนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกำหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาแต่ฉันทะของภิกษุ ผู้ควรแก่ฉันทะไม่ได้นำมาภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็คัดค้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทำปฏิรูปภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าสวดกรรมวาจากรตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกำหนดจำนวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมา ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็นำมาแล้วแต่ภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วคัดคานชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปภิกษุทั้งหลายในยติจตุถกรรมถ้าสวดกรร ม, มาวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่มา ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็ไม่ได้นำมาภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วคัดข้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปภิกษุทั้งหลายในยติจตุถกรรมถ้าสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจำนวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาแล้ว แต่ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะไม่ได้นำมาภิกษุที่อยู่พร้อมหน้าก็คัดค้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทมปฏิรูปภิกษุทั้งหลายในยติจตุถกรรมถ้าสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกาหนดจำนวนไว้เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาแล้วฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็นำมาแล้วแต่ภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วคัดค้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยทมปฏิรูป